สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่อะไรล้างจิตล้างใจไม่ถือโทษโกรธเครืองแล้วนะตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยไม่ถือโทษโกรธเครืองใครให้อภัยทุกอย่างล้างน้ำศพนะได้มีบาปมีเวรมีกรรมจองลา้าบจองเวรซึ่งกันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็เลยเอาน้ําล้างไปทําไมเรียกว่าล้างน้ําศพอาบน้บําศพ แต่รถน้ำศพเนี่ว่ารถน้ำศพแต่สภัก็ไม่เรียกว่ารถน้ำสังรถน้ำสังน้ำสังในทำตอนไหนทำตอนแต่งงานเข้าพิธีแล้วก็มีอย่างหนึ่งคือเอาหอยมาเป็นน้ำพุทธมนให้พระเขาสวดมนต์จเจริญพุทธมนหรือไม่ก็ไปหามาจากวัดเพื่อเป็นมงคลมงคลนี่ส่วนมากก็เอามาจากพระนะเอามาจากพระ พระเอาให้พระได้มาจากไหนมาจากคําสอนพระพุทธเจ้าเอามาสวดกันเอาบทนั้นบทนี้บทนโน้นมาหนี้หลายบทหลายตอนนะเอามาสวดพอสวดปุ๊บก็เอาเอารวมลงในหมอน้ำมนต์นั่นแหละพิธีจเจริญพุทธมนต์พิธีอะไรประมาณเนี่ยจเจริญพุทธมนต์ก็คือมาสวดสาธยาย บอกให้กันรู้แต่มองปัจจุบันได้เป็นเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไปนี่ก็สวดให้มันขลังมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จุ่มลงไปในบาทน้ำมนต์เอาน้ำมนต์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนะ่ะจริงๆเอามาใส่ใจนะแต่คนไม่รู้เอามาใส่จิตใส่ใจไปไกลเกินไม่รู้เป็นอะไร เวลาเราไปฝึกแล้วก็อยากฝึกพลังจิตตานุภาพแต่แเราไม่เข้าใจว่าคืออะไรจริงๆพลังจิตเพื่อมาละกิเลสเพื่อมาดับนิวรณ์ผ่อนตัญหาพวกเนี้ยแต่ความหมายมันเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆเนะี่ยเหมือนไปแล้วฝึกเพื่อไม่ได้อะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดความรู้อะไรที่เราเราคิดเอาเองหรือที่เขาแนะนําให้แต่เราไม่เคยคิดว่าเออไปดับกิเลสนะเนี่ยดับความคิดความปรงุงแต่งดับง่วงดับเหงา จริงๆความรู้พวกนี้นี่คนก็พอมีอยู่แล้วล่ะละแต่ว่ามันไม่อยากได้ความรู้ที่พอจะเอาไปดับทุกข์นี่มันไม่อยากเอกไปนน่นอยากได้ความรู้ความเข้าใจอะไรที่มันเป็นเรื่องสนองตอบความอยากเรานน่นอ่ะจริงๆความเข้าใจนี้พอมีละเหลือแต่การลงมือกระทำตัวเองถ้าเราลงมือกระทาเราตั้งใจทำํำมันก็ดับทุกข์นะ่ะดับกิเลสได้ ดับความปรุงแต่งได้ดับความอยากได้คนมันไม่เอานะไปฝันเรื่องอื่นซะวันวันหนึ่งให้ดับความง่วงเองห่วอยากบรรลุ ธ, ธรรมโน่นไม่ได้สนใจว่าอยากดับความง่วงได้เอาดับความปรุงแต่งโอ้ยหน่อยอยากบรรลุ ธ, ธรรมนวลไม่ได้อยากดับความปรุงแต่งมันจะเอาอะไรเนะี่ยไม่มีเหรอเอาอยากดับความง่วงได้แต่ไม่รู้สึกตัวนอยากรู้สึกตัว แต่ไม่กําหนดรู้เอามันไม่ได้หละเนาะมันต้องไปตามลําดับมันนะไล่ถามว่าแต่ละสเตปเนี่ยมันทําได้ถูกต้องไหมแต่ละขั้นตอนแต่ละบทบาทเราพัฒนาตามลําดับได้ไหมขั้นอนุบาลเนี่ยเรียนเนี่ยมั่นใจเลยว่าจบอนุบาลถ้าไม่จบอนุบาลไปเรียนต่อประถมมันจะลําบากเด้อเนี่ย่าไปเรียนมัธยมมั่นใจเลยว่าประถมโบรกลบปัญหาเนี่ทําเป็นถ้าไม่เป็นจะลําบากนะ ไปเรียนปฐมเน่ะถ้าเรียนปฐมยังไม่ดีบวกลบควาหายไม่ดีเขาขึ้นเป็นหาค่าตัวแปรสมการสูงขึ้นไปอีกจะลําบากเด้อเนี่ยนั้นมันต้องรู้จริงๆแต่ละขั้นตอนเนี่ยเริ่มทําทีละชา้าอย่าทําด้วยความอยากอืเขาบอกให้รู้กายรู้กายจริงๆหรือยัง่งรู้กายเนี่ยรู้กายปล่อยวางกายได้หรือยังรู้เวทนา เวทนาที้เกิดขึ้นในฝืนเป็นหรือยังอ่ะความง่วงความเหงาพวกนี้ยมีวอนละทำทั้งหลายฝืนได้หรือยังนะเอ่ความหลับเนี่ยทําให้สติมันไม่จเจริญเติบโตวความง่วงความเหงาเนี่ยถ้าดับความง่วงไม่ได้ย่าไปหวังนะจะไปหวังว่าจิตจะเป็นสมาธิให้มันต้องหลุดออกจากความง่วงได้ก่อนนะจิตถีงเป็นสมาธิพอออกจากความง่วงแล้วก็เออนิวา์หลายตัวก็เริ่มสงบละเนี่ย ก็ต้องไปตามลำดับไปเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำนะปัญญาไม่ยากเท่าไหร่แ่จะไปมองไปไกลถ้าทำไม่ได้ก็พอจะมันทำไม่ได้ก็รู้เหตุปัจจัยมันนะ่ะก็เริ่มทำใหม่เนี่ย